คิดอะไรพระองค์ก็รู้ความคิดเหล่านั้นอยากแจมแจ้งพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ระลึกชาติได้เป็นอนเนกประการพระองค์นั้นก็มีตาทิพย์เห็นแม้กระทั่งสัตว์เกิดสัดตว์ตาเยาวะเห็นรูปร่างนั้นไม่ให้เป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลพระองค์นั้นเป็นผู้ที่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารรู้จักประมาณในการรับรู้จักประมาณในการสมบั แล้วก็อาสวะขยายนก็คือยานที่สามารถทําอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไม่แก่ยานที่ทําให้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนั่นเองอันนี้เรียกว่าวิชาของพระองคอ์พระองค์ไม่ได้มีเฉพาะวิชาเท่านั้นพระองค์ยังสมบูรณ์ด้วยจารณะคือความประพฤติข้อปฏิบัติปฏิปทาจารณะความประพฤติข้อปฏิบัติที่เพียบพร้อมสมบูรณ์อย่างเช่นศีลสัมปทาพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีล นะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีอินทรสังวรสัมรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลพระองค์นั้นเป็นผู้ที่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารรู้จักประมาณในการรับรู้จักประมาณในการสแสวงหาและพระองค์ยังเป็นผู้หมั่นประกอบความเพียรเป็นผู้ตื่นชําระจิตให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา นะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนง่วงเหงาไม่ใช่เป็นคนซึมไม่ใช่เป็นคนเบอร์ไม่ใช่อะไรสักอย่างพระองค์เป็นคนที่ตื่นตัวอยู่ตลอดสดชื่นอยู่ตลอดเป็นไปกับกุศลอยู่ตลอดที่เจรณาพระธรรมซะส่วนมากอย่านีที่เรียกว่าชาคริยานุโยกและพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลายในบรรดาคนที่มีศรัทธานะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธามากที่สุด ศรัทธาของพระองค์ก็ศรัทธาที่เป็นเหตุให้สมท า, านบารมีทั้งหมดอ่ะเรามีศรัทธาขนาดนั้นไหมถ้าเรามีศรัทธาเราก็ประพฤติได้แต่ว่าศรัทธาไม่พอนะแต่ถ้าบุคคลที่มีศรัทธาพอก็สามารถประพฤติพุทธกัลยาระะธรรมธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นพระองค์นั้นเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศรัทธา่นะไม่ว่าจะเป็นศรัทธาที่เป็นเหตุให้พระองค์ให้ทาน ศรัทธาที่เป็นเหตุให้พระองค์สมาทานศีลเนี่ยนะรักษาจตุปริสุทธิศีลหรือศรัทธาที่เป็นเหตุให้พระองค์บำเพ็ญเนคข ม, มะบารมีเสียสละทุกอยา่างปัญญาบารมีวิรยิยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมีทั้ง10ประการในพระองค์เป็นผู้มีศรัทธาที่จะประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะ อันศรัทธาของพระ อ, องค์นั้นเป็นศรัทธาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะถ้าได้ลงได้ทำแนละไม่เลิกไม่ราและพระ อ, องค์นั้นเป็นผู้ที่มีหิริโอต ป, ปะหิริก็คือละอายต่อความชั่วทุกชนิดอกุศลทุกอย่างพระ อ, องค์นั้นมีโอต ป, ปะสะดุ้งกลัวต่อทุกจริญความชั่วทุกชนิดเกรงกลัวต่ออกุศลธรรมทุกอย่าง อกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษนะพระองค์เนี่ยเกรงกลัวผลของเขาแล้วก็เกรงกลัวไอ้ตัวอกุศลเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นทําลายอย่างเดียวเรนนะแล้วก็เกรงกลัวต่อผลของอกุศลทั้งหลายเหล่านั้นด้วยและพระองค์ก็เป็นพระหูสูตรได้ยินได้ฟังมากเรนนะพระองค์ไข้ครวญมากไม่มีธรรมะใดที่พระองค์ไม่ได้ใไข้ครวญไม่ได้พิจรารณา ยังยกตัวอย่างนะพระองค์พิจารณาคัำพีปัจฐานอย่างนี้ใช่ไหมพิจรารณาอภิธรรมปัจฐานจนรัศมีออกวางกันนดะคิดดูว่าไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่ะเออบาปนี่นทํามาอย่างกันนะทําตัวเ ค, เครียดนี่ก็าบาปแล้วกันนะฉะนั้นพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เป็นประหูสูตรตามเพ่งตามพิจารณาไม่มีอารมณ์ใดที่พระพุทธเจ้าทิสัยในอดีตมากพอบรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเหตุให้พระองค์มีปัญญาพจรารณา ไม่มีวินิจฉัยพระธรรมมาก น, นะแต่พวกเราเนี่ยพิจารณาจนหัวร้อนนะแต่พระองค์พิจารณาด้วยมหากิริยานะีของเรานี่สลับกับโทสะใช่ไหมถ้ามีศรัทธาก็กุศลเกิดไปศรัทธาไม่เกิดนึกไม่ใครออกเครียดล้อันนี้โทสะนะเครียดทิ้งก็บาปทีหนึ่งเครียดมากก็บาปมากเครียดน้อยก็บาปน้อยไม่เครียดก็ไม่บาป น, นะเออบาปนี่ยทำมาอย่างกันนะทำตัวเ ค, เครียดนี่ก็บาปแล้ว ก็ได้ฉะนั้นพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เป็นประหูสูตรตามเพ่งตามพิจารณาไม่มีอารมณ์ใดที่พระพุทธเจ้าไม่เคยพิจารณาเลยนะหาเถอะอารมณ์ในโลกนี้ที่พระองค์ไม่พิจารณาไม่มีก็บอกว่าที่ที่ใดที่ดวงอาทิตย์สองเนี่ยนะที่นั้นจะไม่มีความมืดพระองค์ก็มีสติปัญญาเหมือนกับดวงอาทิตย์ในยามเที่ยงวันอยู่แล้ว ศาสตร์ส่องสอดส่องไปตรงไห น, นก็มองเห็นหมดนนะพันธรรมะทุกอย่างเนื่องด้วยพระองค์ดำริพระองค์ดำริรำรปุ๊บพระองค์ก็รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรดังนั้นพระองค์นี้นับว่าเป็นพระหูสูตรถ้าไม่พระหูสูตรใครครวรมีการได้ยินได้ฟังมาก่อนเป็นอย่างมากถ้าไม่ได้สะสมบุญบารมีมากก็ไม่สามารถที่จะแทงตลอดสัจธรรมได้แล้วก็แทงตลอดสัจธรรมก็ไม่แบบ คนทั่วไปเพราะพระ อ, องค์ยังเอาสัจธรรมเหล่านั้นมาเปิดเผยมาประกาศมาทำให้ตื่นบอกกล่าวแก่เหล่าเวเัยศัสตว์ทั้งหลายพระ อ, องค์นั้นเป็นผู้ที่มีความเพียรกล้าพระพุทธเจ้านั้นเป็นคนกล้าที่สุดคำว่ากล้าในที่นี้ก็คือกล้าละบาปกล้าเจริญกุศลและพระ อ, องค์นั้นมีสติอย่างมั่นคงสามารถ ที่จะวินิจฉัยเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างละเอียดละออทีทุวนอันคนถ้าหากว่าวินิจฉัยอะไรไม่ออกรักษาตัวได้ไหมไม่ได้อันคนที่มองอะไรออกอย่างทะลุโปร่ปรงมองอะไรออกอย่างตลอดสายคนนั้นเรียกว่าเป็นคนมีสัมปชัญญะสติเขาก็จะเป็นเหตุให้เขาวินิจฉัยทำอะไรได้อย่างถูกต้องปราศจากทุกโทษ สตินั้นเป็นเหตุที่ให้ระลึกได้ระลึกว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรบุญอะไรบาปอะไรดำอะไรเขาสิ่งเหล่านี้ประพฤติแล้วจะให้ทุกข์ให้โทษอย่างไรสิ่งเหล่านี้ประพฤติแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขอย่างไรสติก็จะเป็นไปในลักษณะนั้นแล้วพระองค์ก็มีปัญญาที่สามารถเห็นความเกิดความดับแห่งอุปาทานขันห้ามองเห็นขันห้าโดยความเกิดเนี่ยนะ เาวิชาเกิดอุปาทานขันห้าจึงเกิดเพราะตันหาเกิดอุปาทานขันห้าจึงเกิดเพราะกรรมเกิดอุปาทานขันห้าจึงเกิดเพราะอาหารเกิดอุปาทานขันห้าจึงเกิดเพราะภาษะเกิดเพราะนามรูปเกิดแล้วก็นิพพัติลักษณะเนี่ยนะความเกิดความดับก็นัยะตรงกันข้ามนะพอองค์เห็นทั้งความเกิดความดับอันเป็นอริยะจึงสามารถชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ แล้วพระองค์นั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยฌานทั้งสี่นั่นนะฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สีคนที่ปฏิบัติตามมิจฉา ม, มักก็ชื่อว่าไปชั่วผู้ที่ปฏิบัติไปตามสั ม, มมามักก็ชื่อว่าไปดีไปตามอากินจัญญายตนะแล้วก็เนวะสัญญาณาสัญญายตนะอรูปฌานเหล่านั้นพระองค์ก็เต็มเปีเป่ยมบริบูรณ์พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ที่เสด็จไปดีแล้ว มาเสด็จไปดีก็คือไปตามอริยมรรคเนี่ยนะเรียกว่าคนไปตามทางที่ดีก็ชื่อว่าไปดีอน่นะคนไปตามถนนหนทางที่ไม่ดีก็ชื่อว่าไปไม่ดีสมมติว่าไปตามเรียกว่ามุดป่าเข้าไปอย่างเงี้ยก็ถือว่าไปไม่ดีใช่ไหมแต่คนที่ไปตามถนนที่ดีก็ชื่อว่าไปดีนะคนที่ปฏิบัติตามมิตรฉามมรรคก็ชื่อว่าไปชั่ว ผู้ที่ปฏิบัติไปตามสัมมามักก็ชื่อว่าไปดีไปตามสัมมาทิฏฐิเป็นต้นและก็สัมมาทิฐิเหล่านั้นก็ไปสู่สถานที่ดีคือไปสู่อ ม, มะตะนิพพานความสิ้นตัณหาอันเป็นแดนที่ไม่จุติและปฏิสนธิแต่คนที่จะรู้จักนิพพานได้คนนั้นจะต้องรู้จักตัณหาเป็นอย่างดีแล้วก็รู้จักธรรมะเป็นที่สงบระงับจากตัณหาได้ และพระองค์นั้นเสด็จไปชอบก็คือเสด็จไปเสด็จดาเนินไปไม่กลับมาหากิเลสที่ละแล้วเห็นไะมไม่มีการกลับมาทำชั่วและดำเนินไปตามมัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แและใช้วาจาที่ถูกต้องอ น, นะทางหลายเหล่านี้เขาเรียกว่าสุขโตตรงนี้ก็ทบทวนเฉยๆทีนี้ก็กล่าวมาถึงโลกวิทู พระองค์ผู้ทรงรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งตรัสรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งคําว่าโลกในที่นี้ก็เป็นอีกศัพท์หนึ่งของคําว่าอริยสัจนั่นเองบางทีก็ใช้คําว่าทุกใช่ไหมทุกกสมูทัยทุกขะนิโรธทุกกะนิโรธคามินีปฏิปทาบางแห่งก็ใช้ชื่อว่าโลกโลกกสมูทัยโลกกะนิโรธโลกนิโรธาคามินีปฏิปทา หรือบางทีก็ใช้คำว่าสกายะสกายะสมุทัยสกายะนิโรธสกายะนิโรธาขามินีปฏิปทาหรือบางทีก็ใช้คําว่าอาสวะอาสวะสมุทัยอาสวะนิโรธอาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาแต่ตรงนี้ชี้เน้นไปที่โลกลนะี่พระองค์นี้ทรงตรัสรู้โป ร, ป ร, ปรงซึ่งโลกว่า ง, งันตรัสรู้จนปร่งว่างันนะคำว่าปุ่นี่ก็คือไม่มีส่วนไหนที่ไม่ แขงตลอดกระโดยที่สุดแม้กระทั่งผุ้ยผงอย่างนั้นเเป็นผงก็ยังรู้เลยว่างนั้นท่านคำว่าโลกในที่นี้ก็คืออุปาทานขันห้าตรัสรู้สภาวะของอุปาทานขันห้าโดยทะลุโปร่ปรงหมดไม่มีเหลือนะที่ดูนะคำสอนของของพระาศาสนาเราเนี่ยนะอย่างเช่นร่างกายของเราเนี่ยพระองค์ทรงสแสดงมานานแล้วผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเ ย, ยนะเอะในกระดูกมา้ามหัวใจตับไส้ปอดเนี่ยนะ สภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยพระ อ, องค์ทรงแสดงหมดเลยอุดทังบาทตศลาอัโทเกสามัตถะกามเยเมืองบนแต่ปลายเท้าขึ้นมาเมืองตามแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่โดยที่สุดรอบเนี่ยพระ อ, องต ร, สรัสรู้ปรุโปร่งหมดเลยวกน้าทะเลเนี่ยเออเม็ดนี้ไหลามาจากน้ําเจ้าพญาเน่าๆหน่อยของกายประชุมลงหลวงอันนี้รูปประกายก็นับว่าเออมันห ย, ยาบๆกว่าพอมองเห็นกันแต่นา ม, มากายอะ่ะ จิตเจตสิกเดี๋ยนะจิตเจตสิกเนี่ยที่อาศัยทวารต่างๆเกิดขึ้นความนึกคิดที่ที่เกิดขึ้นพระองค์ก็ทรงตรัสรู้สิ่งเหล่านั้นอย่างปรุปร่ปรงหมดว่างั้นเลยรู้จนปรุรู้ด้วยว่าจิตดวงหนึ่งเนี่ยโอ้โหมีเจตสิกอะไรเกิดขึ้นบ้างนั่น น, นแะแปลว่าไม่ใช่รู้ธรรมดาก็เหมือนกับเราลงไปในทะเลเนี่ยนะลงไปในทะเลเอ่าวไทยเนี่ยนะไปก็วักน้ําขึ้นมา ชิมดูเลยวักน้ําทะเลเนี่ยเออเม็ดนี้ไหลมาจากน้ําเจ้าพยาเน่าๆหน่อยเอเม็ดนี้ไหลมาจากน้ำโขงเม็ดนี้ไหลมาจากแม่น้ําบางประกงเหมือนกันเออเม็ดนี้ไหลมาจากแม่น้ําท่าจีน อ, อ่าแยกได้ไหมลงไปในทะเลแล้ววักน้ําแล้วมาชิมจิบๆดูแลแยกเม็ดน้ําเค็มอ่ะนะออแยกได้นะพระพุทธเจ้าแยกได้นะอันนั้นรูปมนะันนะนาวายาปไป แต่ความคิดเนี่ยละเอียดละออเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแค่ดูนะเวลาเห็นเกิดขึ้นเนี่ยจักรคูวิญญาณเกิดขึ้นรับสีเป็นอารมณ์พระองค์แยกเลยเออนี้ภาษะนี้เวทนานี้สัญญานี้เจตนานี้เอกขัตตานี้ชีวิตตินสีนี้มนสิการ์พอองแยกได้เนี่ยนะพระองค์แล้วยังแยกอีกนะว่าเออภาษะเวทนาสัญญาเจตนาเอกขตตาชีวิตตินสีมนสิการ อันนี้เป็นกุศลนะถ้าเกิดร่วมกับกุศลถ้าเป็นไปกับทานศีลภาวนาภาษะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตตินรีมนสิการถ้าเขาเกิดร่วมกับอกุศลเขาเป็นอกุศลนะเขามีโทษภาษะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคัตาชีวิตินรีย์มนสิการถ้าเขาเกิดกับวิบากสิ่งเหล่านี้เป็นผลของกรรมนะถ้าเกิดกับมหากิริยาหรือเกิดกับกริยาจิตอ้าว กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกุศลอกุศลสักแต่ว่าเกิดขึ้นเท่านั้นเองเนี่ยเน่ยอภยกตะเป็นกิริยาไม่ใช่ผลของกรรมด้วยพงแยกแยะสิ่งเหล่านี้อีกและยังไม่พอนะยังจําแนกอีกว่าเออภาษะเนี่ยนะเวทนาสัญญาเจตนานี้ฝ่ายเหตุนะนี้ฝ่ายผลอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นผลอันนี้ไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลเนี่ยนะสักแต่ว่าเกิดขึ้นอันนี้เป็นอุปาทานขันอันนี้เป็นอนุปาทานขัน แล้วแยกเอกอันนี้เป็ น, น, นเป็นผลของกรรมอันนี้เศร้าหมองอันนี้ผ่องใสเนีย่ยแยกได้หมดเลยนะเอาติกะมาติกะทูกกะมาติกะมาจําแนกส่วนหนึ่งเป็นจิตส่วนหนึ่งเป็นเจตสิกอย่างเงี้ยแยกแยกอย่างละเอียดละอทีทุวนไม่มีส่วนไหนที่พระองค์ไม่รู้แจ้งแทงตลอดอย่างเท่าว่ารู้แบบตันหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดด้วยเป็นทั้งสัจจะที่เป็นเหตุให้เกิดด้วย ทีนี้ต่อไปเอกว่าพระองค์นี้ยังรู้ถ้ารู้จริงๆเนี่ยนะก็เหมือนกับคนรู้จักโรคและรู้จักสมุธฐานคือเหตุให้เกิดโรคปัจจัยที่ทําให้เขาเกิดขึ้นสมุทัยก็คือเหตุเกิดนะคำว่าสมุทัยเนี่ยเหตุเกิดเหตุเกิดของโรคคาว่าสมุทัยเนี่ยนะมีหลายอย่างนะกรรมก็เป็นสมุทยัยกิเลสทั้งหมดก็เป็นสมุทยัยกุศลก็เป็นสมุทยัยอกุศลก็เป็น สมุทัยแต่ตันหาเป็นสมุทัยด้วยเป็นสมุทัยสัตว์ด้วยเนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เน้นพิเศษก็คือเน้นตันหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดด้วยเป็นทั้งสัตว์จะที่เป็นเหตุให้เกิดด้วยทีนี้ต่อไปเอกว่าพระองค์นี้ยังรู้ถ้ารู้จริงๆเนี่ยนะก็เหมือนกับคนรู้จักโรคและรู้จักสมุทฐานคือเหตุให้เกิดโรค ถ้ารู้จริงรู้ถึงที่สุดนะจะต้องรู้ว่าถ้าหายโรคเป็นยังไง น, นะทุกขศาสตร์ก็เหมือนกับโรคสมุทัยศาสตร์ก็เหมือนเหตุให้เกิดโรคสมุทฐานให้โรคเกิดนิโรศสัตร์ก็เหมือนกับความหายโรคถ้ารู้จักโรครู้จักเหตุให้เกิดโรครู้จักความหายโรค ก, ก็ต้องรู้จักยาที่กินเพื่อระ ง, งับโรคด้วยนะจึงจะชื่อว่ารู้จริงว่างนั่นรอบรู้รู้ ร, รอบ คนที่จะรู้จักโลกก็รู้จักเหตุเกิดของโลกรู้ความดับของโลกและรู้ข้อปฏิบัติเพื่อถึงความดับของโลกจึงจักเชื่อว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้แล้วพ้นโลกถ้ารู้แจ้งรู้จริงแล้วก็ต้องพ้นโลกใช่ไหมเป็นถ้ารู้แจ้งรู้จริงพ้นโลกเป็นอะไรเป็นโลกุตระถินะโลกุดอนเลยโลกุดรนพ้นโลก หรือว่าโลกวิทูก็ได้รู้แจ่มแจ้งซึ่งโลกอันพระองค์นี้เกิดแล้วในโลกเจริญแล้วในโลกเติบโตในโลกแต่พระองค์ไม่ติดโลกเพราะอะไรเพราะโลกพระองค์กําหนดรู้แล้วโลกกสมุทัยพระองค์ละแล้วโลกกนิโรธพระองค์ทําให้แจ้งแล้วโลกนิโรธคามินีปฏิปทาพระองค์ได้เจริญพอกพูนบริบูรณ์ทั้งหมดแล้ว แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะพระองค์ทรงบัญญัติลงในกะเลวระอันยาวประมาณหนึ่งวามีสัญญามีใจครองคําว่าโลกโลกในวินัยของพระอริยนั้นทรงเคราะห์ลงในกายนี้นะไม่ได้นเน้นไปที่ต้นไม้ใบหญ้าบอกโลกเป็นยังไงกลมกลมเกลี้ยงเกลียกล้ยงมันลูกมนันเอาโอ้ไทยอย่างนั้นก็โลกเหมือนการแต่รู้โลกนั้นไม่พ้นทุกข์หรอกรู้ไม่แน่รู้มากอาจจะทุกมากก็ได้ครับถามว่มาทําไมจึงทุกข์ล่ะก็คิดดูไอ้ที่อ จะปีสองพันใช่ไหมคนเนี่ยมาทุกข์กับเรื่องโลกจะแตกน้ําจะท่วงโลกนอนไรนะทีนี้ใจมันแตกก่อนเลยนะมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในเรื่องโลกเฉนั้นโลกเหล่านี้พระองค์ได้รู้แจ้งแทงตลอดหมดแต่พระองค์ก็บัญญัติคำว่าโลกลงในกะเลวระคือในร่างกายของเรานี่แหละอันนี้ก็คือคําว่าโลกวิทูนยะที่หนึ่งคือรู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง ทะลุปรงก็คือสามารถที่จะประชุมโลกทั้งหมดเหล่านี้ลงอริยสัจจะทำได้ทีนี้โลกวิถูในที่สองก็คือตรัสรู้ซึ่งโลกสโลกสคือสังขารโลกสัตวโลกและโอกาสโลกเนี่ยนะโลกสนะโลกแรกก็คือโลกโลกสมุทัยโลกนิโรธโลกนิโรธคามมนีปฏิปทาก็คือแกวเนื่องโลกลงอริยสัจ แต่ตรงนี้ก็มาแบ่งโลกออกสามความหมายโลกความหมายแรกคือสังขารโลกคำว่าสังขารโลกนะั้นโดยอัตถะก็คือถูกปัจจัยปรุงแต่งและถูกทำลายย่อยยับไปคำว่าสังขารโลกในที่นี้ก็คืออะไรคืออุปาทานขันห้านั่นแหละเชื่อว่าสังขารโลกเพราะเป็นธรรมชาติที่ถูก ปัจจัยปรุงแต่งปัจจัยเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้เขามีขึ้นถ้าไม่มีปัจจัยเขาไม่เกิดนะแต่เขาเป็นธรรมชาติที่เกี่ยวเนื่องด้วยปัจจัยเกี่ยวเนื่องด้วยเหตุผลแล้วก็ที่เขาชื่อว่าโลกเพราะเขาแตกทำลายหรือเขาย่อยับไปสิ่งใดก็ตามที่ถูกปัจจัยประชุมปรุงแต่งขึ้นเขาจะแตกทำลายแล้วก็ย่อยับไป มีแล้วหามีไม่มีแล้วก็หมดไปฉั้นสังขารโลกมาจําแนกโดยนัยะต่างๆจะนับหนึ่งก็ได้นะโลกเนี่ยจะนับหนึ่งนับสองนับสานับสี่นับห้านับหกนับเจ็ดนับแปดนับเก้านับสิบนับสิบสองนับสิบแปดก็ได้โอ้หผ่าโลกได้หลายส่วนนะก็คือเหมือนกับเอาไม้ไผ่มาลําหนึ่งใช่ไหมมามาหั่นสักกี่ท่อนก็ได้ เส่ละหันแล้วเอามาพ่าอีกกี่ชิ้นกี่เป็นกี่ชิ้นกี่ชิ้นกี่ชิ้นก็ได้จริงๆอันเดียวกันนั่นแหละไม้ไผ่ใบนั่นแหละลำไม้ไผ่ลํานั้นแหละเอามาทอนทอนทอนทอนตักแล้วก็เอามาพาพาพาผาเพราะนั้นคําว่าโลกในยังแบ่งนับหนึ่งก็ได้คําว่าโลกนับหนึ่งก็คือสัพเพสัตตาอาหารสถิติกาสัตว์ทางปวงดํารงอยู่ได้ด้วยอาหารคําว่าสัตว์ในที่นี้เป็นชื่อของปัจจยุปันธธรรมเหนะ คำว่าอาหารเป็นชื่อของปัจจัยธรรมคำว่าโลกหนึ่งนะก็คือสังขารดำรงอยู่ได้ด้วยปัจจัยเพราะมีปัจจัยนั่นเองสังขารจึงดำรงอยู่เพราะว่าสังขารดำรงอยู่ได้ด้วยปัจจัยไม่ใช่สัตว์คือนายกรนายขอนะหรือจะกล่าวว่ า, า, วานายกรนายขอก็ได้เพราะว่านายกรนายขจริงๆอะ่ะโดยสภาวะ